เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมพโชติปัญโยความสงบความพาสุขทุกประการจงมีแด่ท่านนายกพุทธสมาคมและสมาชิกชาวพุทธสมาคมสกลนครทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อนร่วมพุทธศาสนา สาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้ใฝ่ฝันดังคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมมิกถาปาทกรทาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว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 ปารบเหตุที่ทางพุทธสมาคมสกลนครของเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันศสียสละทุนทรัพย์ศสียสละเวล่ำเวลาสร้างกุฏิวิหารและก็ น, นำผ้าป่าสามขีมาทอดถวายพร้อมกันกับการถวายกุฏิแก่วัดวิเวกันทรารามของเราในขณะนี้โดยเหตุนี้จึงได้ อาราธานาให้อัตมามาต่าวทำมิกถาในฐานะวันนี้เป็นตัวแทนของคณะสองทั้งหมดที่ได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษก็เลยจะต้องพูด ก, กันในเรื่องราวที่ค่อนข้างจะพิเศษและทั้งจะต้องฟังกันเป็นพิเศษตั้งออกตั้งใจฟังจึื่อจะได้เข้าใจกันอย่างเป็นพิเศษอีกเช่นเดียวกันประการแรกนี่อัตมาภาพ ใครจะขอใช้สิทธิส่วนตัวอนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมืออยู่วางมือลองซะไม่ต้องพนมมือนั่งตามอิริยาบถที่ถนัดถ้าหากมันแดดมันร้อนก็ค่อยขยับขยายเข้าไปใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้เราเป็นคนฉลาดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสมารวมกันเป็นพุทธสมาคมแปลว่าการมารวมกันของผู้รู้ทั้งหลายสมาคโมสมาคโมหรือว่าสมาคมแปลว่าไปด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันของผู้รู้วันนี้เราทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้รู้ทั้งนั้นถ้าหากมันร้อนก็ขยับขยายหลบหลีกไป ลูกศิษย์พุทธเจ้าย่อมเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาบ่เม็นมานั่งตากแดดตลอดนะอาณมารู้สึกเป็นสิริมงคลดีออกดีใจปลื้มปีติที่เห็นพี่น้องทั้งหลายได้มารวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอันจะเป็นประโยชน์ยาวนานแก่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการสร้างกุติ เพื่อให้พระสององค์เจ้าในพระพุทธศาสนาอันเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นแนวหน้าของศาสนาผู้ที่จะดํารงพระพุทธศาสนาไว้เสื่อต่อไปก็อาศัยพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยจะได้มาช่วยกันมาร่วมกันสนับสนุนท่านและอีกประการหนึ่งดีใจดีใจที่จังหวัดสกลนคร ข, ของเรา มีท่านอาจารย์มหานิธิได้เข้ามาบวชภาคสองภาคสองคือเมื่อก่อนที่วัยจะสนทยาท่านได้มาบวชซึ่งเมื่อก่อนท่านก็เป็นมหาจะว่าไปแล้วท่านมีความรู้ความเข้าใจเมื่อแต่ก่อนอาตมารู้สึกโรลลิเนเอตขออภัยผู้พูดภาษาฝรั่งคือรู้สึกอ้างว้างว้าว ว่าเราเนี่ยทำยังไงนะเกิดมาเป็นคนสกลนครรักบ้านรักเมืองรักศาสนาจะทำงานเพื่อศาสนาทำยังไงจะมีคาเฟ่สุดสององค์เจ้าที่รักศาสนามาช่วยงานกันมากๆในด้านนี้ที่คนโบราณว่าหลายสมัยในป่าขนานับหาลาเป็นของหอมแก่นกันบะมีได้คนเต็มบ้านข้าแม่แสนไม่มากหาผู้ขึ้นปากบ่ทำไปเจาสีบวมี ความที่อันนี้คิดขึ้นมาอยู่ว่าเอ๊พระสองฆ์เจ้าละมากไม่ใช่ดูถูกสี่ปัญญาแต่ว่าท่านก็ถนัดไปคนละอันคนละบารมีกันอาตมาก็เลยมาคิดถ้าเรามีเพื่อนทํางานในด้านเผยแพร่ในด้านปฏิบัติธรรมเพื่อจะลองศาสนาในยุคนี้มากขึ้นช่วยกันก็คงเกือบพอมีเรี่ยวมีแรงมีแนวร่วมคิดอยู่อย่างนี้และยังมีความรู้สึกไกลไปกว่านั้นคล้ายๆกับว่า มีคนทําสะอาดสองสามคนแต่มีคนไปทําศกปลกเป็นร้อยๆมันก็เลยไม่คุมกันคนนึงไปเอิญให้ลูกปุ๊กให้ตื่นอีกส่้หนึ่งไปเที่ยวแจกยานอนหลับบัตรตืมมาแล้วเอายี่ห้อนี้ไปกินหลับไปกินยี่ห้อนี้หลับไปแล้วก็ไปเที่ยวปลุกคนคนแจกยานอนหลับมีมากท่านหลายพอจะเข้าใจแต่หวังหลักว่า การ น, นำให้คนตื่นมาเป็นพุทธเป็นผู้รู้มันยากแสนจะยากถึงขนาดพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วไม่กินข้าวกินปลาสี่สิบเก้าวันคิดว่าจะไปเทศบอกใครสอนใครธรรมะเป็นเรื่องละเอียดและมันก็ฝืนความรู้สึกของคนที่หันการวาปฏิโสตะคามิงนิปุนังคัมพีรังทุทัสังอนุ้ ปฏิโสตคามิงธรรมะนี่มันจะฟื้นความรู้สึกคนเขาพอใจไปตามกิเลสแต่ธรรมะมันจะฟื้นทวนไปสู่ความถูกต้องคนก็ไม่พอใจท่านก็นเลยท้อแท้จะไปเทศน์สอนใครนอกนีน่อะนุ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยละเอียดมองด้วยตาเปล่าด้วยความหยาบหยาบไม่เห็นต้องมองด้วยสติปัญญาคำพีลังลึกซึ้งทุกทัศเห็นได้ยาก ท่านกนเลยท้อแท้อยู่ตั้งสี่สิบกว่าวันหรือสี่สิบเก้าวันคิดไปคิดมาแล้วพญามารก็มาช่วยมาช่วยกระพืออย่างอตาตมานเนี่ถูกพญามารก็ชิดกระพือไปจะไปเที่ยวสอนคนเลยมันยากเขาไม่เข้าใจดอกเขามากาด้ยวยความคุ้นเคยในทางที่จะเอายึดมั่นถือมั่นอุปาลัมภะจิตโตทุมเมโทศินาติปุธส่าสนั่งบุคลที่มาก คุณเคยไปดูวความยึดมั่นถือมั่นมากไปดูวความมืดอย่อยางนี้แม้จะได้ฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนมารอรกาโหติสัทธมโมนภาโสปทวียะถาเขาจะไกลห่างจากธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินอย่าไปเทศไปสอนเลยพยามาณมาบอกพระพุทธเจ้าอาตมานี่ลูกสิทธ์ชั้นปแถวบางทีก็ท้อใจ เหนื่อยท่านหนึ่งหลายคงจะเห็นริ้วรอยแห่งความอิดโรยในรูปร่างหน้าตาของอาตมาเชื่อหรือไม่เมื่อคืนมาถึงวัดเที่ยงคืนเดินทางมาจากอุบลเพราะไปเทศที่จังหวัดอุบลห้าหกชั่วโมงเมืม่อวานนี้แล้วก่อนที่จะไปอุบลนั่นสองงานตอนเช้าตอนกลางคืนไปบ้านโพตากไปเทศโพตากตอนเช้าเทศเอีกบ้านหนึ่งตอนกลางคืนไปโพตากกลับมา ตีทุ่มคึ่งก็จะนอนได้ห้าทุ่มตีหนึ่ ง, งลุกขึ้นมาจัดแจงเก็บสิ่งของขึ้นรถชาวอุบลมารอรับต้องเดินทางจากวัดเมื่อซสา น, นี่ตีสองไปสว่างอุบลไปอุบลแล้วไปแสดงตาตกถาทมอยู่ห้าหกชั่วโมงสองภาคจบอย่างนั้นตีด่วนมาถึงบ้านเมื่อคืนนี่ประมาณเที่ยงคืนไม่ได้พักผ่อนเลยและมีความคิดต่อไปบางครั้งพยายามากระชิบ ศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียวคนอื่นเกิดมาแล้วตายไปแล้วท่านรักษามาจนถึงนี้ถ้าไม่มีเราก็จักยังอย่ดูพระสององค์เจ้าองค์อื่นท่านสะดวกสบายชั้นเช้าแล้วก็เอนชั้นเพนนอนสบายๆท่านจะลำบากทำไมคล้ายๆกับพญามารชวนไปสิไปหาอยู่ในปา่าในเขาสงบประงับอยู่คนเดียวจิตใจมันเรียกร้องสภาพอย่างนี้แต่บางทีก็ฮึดฮัดขึ้นมาว่าเออตายแล้วสมีแหง บางครั้งคนมารับนี่กินเหล้าเมาจําเป๋ขับรถปีกายนี่ไปชนควายตายสองตัวรถ ล, ลงไปถนนควายตายแต่อัตมาอย่างไม่ตายเดี๋ยวนี้ต้องขุดลุมรอไว้หน้ากุฏิถ้าใครไปที่วัดก็จะเห็นลุมใหญ่ๆลุ่มยันห่วงซุยในยังห่วงซุยคนมานน่อบวชจากลุ่มฝังสบายโขดเคศขวงแททคหลอมผาดวาระนี่ เีนี้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายซะแล้วมีอัตราเสี่ยงต่อความตายสูงมากเดือนหนึ่งต้องเดินทางเป็นหมื่นกิโลนะไม่ใช่พันกิโลตีไปจังหวัดตาดกลับมานุ่นชัยนาทไปเมืองเลยอูบลยะโสธรน้อยเอามารวมกันได้เป็นหมื่นๆกิโลแต่ละเดือนที่นี่จะมาก็เลยคิดอย่างวันที่ไปเทศอุบลเนี่ยวิ่งไปงตังแต่ตีสองจะเข้ามาตรงองค้งที่วิทยาลัยเทคนิครถวิ่งมาร้อยี่สิบไฟดับ ไฟลดนะดับไม่ใช่อะไรลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่องกลางความมืดมันก็ต้องอหังสุกิโตโหมิโลแล้วค่ะมันตู้มตงไปหันตั้งใจตายให้ดีๆเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้อาตมารู้สึกอบอุ่นใจไม่อ้างวางเดียวดาดอย่างน้อยท่านอาจารย์มหานิธิภาคสองท่านได้บวชมาแล้วมาอยู่ในวัดวิเวกันทรลาลามอาตมาก็เฝ้าสังเกตดูว่า ท่านอยู่กันยังไงและก็รู้สึกว่าท่านมีพระหนุ่มเนนน้อยลูกหลานคนทุกคนยากหลายจังหวัดมาอยู่มาศึกษามาเล่าเรียนท่านเอาชิงเอาจังที่จะสั่งสอนลูกหลานและที่น่าอบอุ่นใจยิ่งก็คือท่านอาจารย์มหานิติถึงแม้ท่านจะสีขาลาเพศไปแล้วปลดกเกษียณสมควรจะพักผ่อนเมืออคนอื่นแล้ว แต่ลักษณะของมหาบุรุษของสัตบุรุษที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามหาปูริสักษะละคนังกลุลนาสโหลักษณะที่ทนไม่ได้เพราะความเมตตาปาณีต่อบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษท่านก็เอาใจใส่มาช่วยสอนโรงเรียนบาหลีแกเราลงรถนุน่นบางครั้งเดินตอกตอกตอกจากเม่เองมาเนี่เห็นแล้วสาทุกในหัวใจอนุโมทานาสาทุกการ คนทั้งหลายมองไม่เห็นเทวดาฟ้าดินก็จะเห็นคนสร้างกลงามความดีอาตมาคอยเป็นห่วงว่าเอ๊ท่านอยู่กันมากๆจะพออยู่พอกินไหมบางทีก็แอบมาซุ่มๆไม่บอกครั้งหนึ่งคยขี่สามล้อลงแล้วก็เหมารถสามล้อเข้ามาจะมาดูว่าวัดเนี่ยได้ข่าวว่าพระเนนมากจะเป็นร้อยอยู่กินกันยังไงที่วัดอาตมาพระเนนสามสิบสามสิบห้าเนี่ยยังอดยังอยาก หน้าพันษาคนดำนาต้องเปลี่ยนกันกินข้าวคนละเจ็ดวันเข้าไปอดบางทีก็สิบวันสิบแปดสิบเก้าวันก็มีไม่ต้องกินบางองค์ไปอดอยู่ข้างในลดจำนวนผู้บริโภคลงให้มันเหลือ น, น้อยพอแนว ก, กินมันหน่อยฝึกดูแต่ก็ยังไม่มีใครเป็นโรคกระเพาะตายดอกอยก่างอ้วนๆกันจยะ่ทีนี้ก็เลยมาคิดว่าเออท่านอาจารย์มหานิถีเนี่ยพระเนนเป็นเจ็ดสิบแปดิท่านจะอยู่กินยังไงเราจะไปดู ถ้าอดอยากเรามีอะไรเราก็จะช่วยเท่าที่จะทำได้จะไปช่วยประกาศท า, างวิทยุแต่ปรากฏมาแล้วหน้าปลื้มใจพี่น้องชาวดงมะไฟแล้วยังหน้าอนุโมหนาสาธุ ก, การพวกสุขาพิบาลเล็กๆอย่างสุขาพิบาลดงมะไฟได้ทราบว่าเอารถรับส่งพะเนรบินทบาททุกวันลึกเต็มวัดเต็มรถ สุขาภิบาลใหญ่ๆบางแห่งคงทำไม่ได้มอมีเงินซื้อน้ำมันรถสำแกพระมาบิทฑบาตนหนึ่งบ่ได้แต่สุขาภิบาลดองม้อไฟทําทำได้อันนี้ประการหนึ่งก็เลยหน้าอนุโมทนาว่าโอ้นี่เราไม่อ้างว้างเราไม่เดียวดายมีคนช่วยกันเอื้อให้ลุกพุกให้ตื่นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นใจแล้วก็มีกาลังใจทางานอยู่ เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มเข้าใจตื่นขึ้นเริ่มเข้าใจตื่นเนื้อตื่นตัวทางศีลทางธรรมคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองมีคำหนึ่งว่ า, าศาสนาพระเจ้าองค์ประเรสริฐสัพันยู่ล่างเถอาบกล่างเถอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝาทัางสาธชนทั้งหลายคงจะเคยเห็นพระจันทร์ข้างขึ้นมันสว่างข้างแรมมันก็มืด ศาสนานี่มีครั้งเจริญมีครั้งเสื่อมจเจริญขึ้นมากแล้วก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงมากๆแล้วก็จเจริญขึ้นแล้วแต่สมัยใดมีบุคคลที่สนใจทางศิลทางธรรมมีผู้นำทางจิตใจทางวิทยานเพราะเหตุดันเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากําลังถึงไม่ถึงวันเพนก็คงจะสองคำสามคาเห็นเดือนพวากิ่งบิด ก, ก็อาจจะเป็นได้ จึงมีคนสนใจกันขึ้นเมื่อกี้อาตมาจัดงานนักพบผู้ใฝ่ธรรมลองประกาศเล่นๆทางวิทยุดอกไม่ได้เชิญใครดอกพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นิมนต์ท่านเพียงแต่ไปกาบเรียนให้ท่านทราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ว่าผมจะอบรมนักพบผู้ฝ่าธรรมจะไปนิมนต์ครูบาอาจารย์ไม่มีรถไปรับท่านเพราะยังไงยังไงที่ว่าจะอบรมไหวคนเดียวเนี่ยมาเป็นหมื่นคนก็จะอบรมไหวสิบห้านั่งสื่อๆเ ส, สามีแห้งเนี่ยเบาๆยังเลยประเสริ คิดว่าจะไม่มีคนมากปรากฏว่าคนหลั่งไหลกันมาห้าร้อยคนมาบวชชีพามเจ็ดวันอาจะมาพาทำสมาธิวันละสี่ชั่วโมงโดยไม่ต้องพูดเทศเงียบไม่มีใครคิดว่าจะเบื่อหน่อยโอ้ยผนคือพาเซาวไว้แท้ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหลือภาคใต้ชุมพรภาคตะวันออกจังหวัดตราดพระเนนเป็นร้อยก็ามารวมกันอบรมสมาธิภาวนา แต่เสียดายหน่อยหนึ่งสกลนครเรามีจำนวนน้อยกว่าจังหวัดอื่นมากทีนี้นั่นก็ไม่เป็นไรไมันอยู่ใกลพ้พธิ์เนาะก็เลยฟังเสร็จแล้วปากฏว่าบุคคลที่มาอบรมนั้นจัดเทพนี่ไม่ทันบรรยายออกมาแต่ละมวนละมวนเช้ามาทำมิกระทาก่อนฟ้าสางหลังจากสมาธิแล้วอบรมกรรมฐานตอนเย็นเย็นมาหลังจากนั่งสมาธิสองชั่วโมงป้ า, กกาถากระมบอกว่า กถาก่อนสนทยาตลอดทั้งเจ็ดวันนี้ทุกคนจองกันถ่ายเทปยังไม่ทันปรากฏว่าเทปหมดไปพันสามร้อยแปดสิบม้วนไม่พอข้าวบัญชีไว้ต้องมาอัดถ่ายส่งทีหลังเมื่อเช้ามีจดหมายมาทวงจากวิทยาลัยครูอุบลว่าจองไว้นานเงินจ่ายแล้วยังไม่ถึงคงจะเสวนห่างกันส่งไปเถงคิดแล้วงา น, านนี้ได้เข็นกงล้อแห่งธรรมสเพ็ออกไป เฉพาะเทปในการบรรยายในพันห้าร้อยกว่ามวนคีดแล้วก็น่าอนุโมทนาว่าประชาชนเรานั้นกำลังตื่นตัวในทางศีลธรรมและที่แน่นอนที่สุดเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะกราบเห็นคนมาอยากจะกราบโอยมาอีกแล้วเนาะจะได้ไปอีกแล้วเนาะขอร้องตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบ ขอให้ได้อยู่วัดอบรมพระเนนเพราะพระเนนมากต่างทิณตางที่ตอนมาไลายจังหวัดเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกมาอบรมแล้วก็พวกฝรั่งมั่งค่าบางทีผู้หญิงบางทีผู้ชายเราไม่อยู่เ้าก็มารอก็เลยอยากจะแบ่งเวลาของหนึ่งเดือนในสิบวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสาหรับผู้ที่ไปอบรมในวัดสมาธิภาวนาทั้งชาวต่างชาติและต่างจังหวัดแต่พระเนนอีกวันที่สิบถึงวันสิ้นเดือน จะมอบให้แก่สังคมแต่ถึงขนาดนั้นก็ทำไม่ได้ก็ต้องแย่งจังยื้อยนอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะทำยังไงได้อย่างไรก็ตามก็คิดว่าเราเกิดมานี่เราได้ทำประโยชน์แก่ภาษาแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่อันเมืองเท่าที่เราจะมีแรงคนโบรานกล่าวไว้อันหนึ่งว่าอากาศก่วงสุดขอบเมทนีซุดขอบจักรวาลเมทะนีสุดสัวตาเต็มเยี่ยม เหมยเหมยหงห้วยห้าโหลกลุมพ่อได้พายโพดให้ดินสื่นสุมอื่นลุกโคดาวแดนไถพ่งเทือนยู่ทางไข่กับอาละอองหอมเพลินหอมโยธิกากอมสาละพี่พ่วงพี่แม่งภูบินลวงหล่ำประสงแสวสวดละอองฟังก็เพลินไปเฉยเฉยถ้าไม่เข้าใจอากาศก่วงซุดขอบเมทานี่ซุดขอบจกักรวาลเมทนีุ่ดส่วนตาเต็มยิม ไม่ว่าโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่เหมยเหมยหงห้วยห้ามหลกหลุมพายโพดหิ่ดินซื่นสุมอื่นเมยเหมยคนสมัยใหม่ไม่รู้จักซะและ้วจักแมนน่นหยั่งฉันน้องขอแปลให้ฟังนิดหนึ่งหมอกขึ้นสูงจักนน้ำหมอกถ้าน้ำหมอกธรรมดาเนี่ยเรารู้จักกันดีแต่ถ้าขึ้นเหมยเหมยเลีวเลยบาดในคนสมัยใหม่ไม่รู้ เหมยเหมือยนันน้ำหมอกสร้างน้ำหมอกตางน้ำหมอกซาน้ำหมอกแห้งหลายเติบคือเข้าไปฟังล่ําหัวเปียกเสื้อผ้าชุ่มผมเปียกนันน้ำหมอกใหญ่น้ำหมอกข้างอันน้ำหมอกกลางน้ำหมอกสร้างน้ำหมอกซาคนประหลาดกรเอินเหมยเหมยหมอลำเขาลำขอนสืแจ้งน้ำหมอกขัวห่อมัวคัวนัวเหมยห้วยห่อมมูบางใบไม่ เสมอเหมยพดตาป่องจวนไก่สิลงค้อนข่วมหิวนอนมากจับตาเอหอยมะโนงง่วงดวงดาวเดือนยับใหญ่ทะไล่ล่องเลิกตําน้ำหมอกเหมย อ, อาบแก่มห่าหนาลวงหนาวคํากล่าวเหล่านี้เหมยเหอยหงห้วยห่าโลกลุมพายผดให้ดินสื่นซุมอื่นพวกเราเกิดมาทีหลังเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเกิดไม่ทันพระอรหันต์พระอรียเจ้าทั้งหลาย เหมือนต้นไม้หน้าแรงงามฝนเกิดบ้านพนงามพระพุทธเจ้ายามพระ อ, อรหรันต์พระอริยเจ้านั้นหน้าฝนต้นไม้เขียวสดงดงามเบ่งบานแต่เมื่อถึงหน้าแรงและต้นไม้ดิแห้งเหี่ยวฝนไม่ตกแต่โชคดียังมีน้ําหมอกน้ําค้างต้นไม้บางชนิดอดทนต่อความแห้งแรงเมื่อได้รับน้ําหมอกน้ําค้างก็เลยเบ่งบาน อย่างดอกหนิวดอกจานในเดือนสามดอกหนิวบานดอกจานแดงดิธีตัง้งเติมะดูเดือนใหม่ดอกเก็ บ, บางสะพัมผอมน้ำหล่อมแคล่ํ่ำสะพังผัวพ่วงผีสารพีก น, นิกากายเหือไพ่พ่องดาวล่ำาดวอนดัว่วหอมเย็นดอกสมังกาละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบาดคำแล่นพ่อมาเดือน สามขึ้นล่ำนาวหนาวนวงดอกปักม่วงหอมอินอ้อยง่ามข่อยคำแรล่งดอกจานแดงซุกเต็มตุ่นบานตนกันดอกนิ่วปลาสักุหน้าบินส่วนแสลสแวงกวัวกินหวานบานในหน้าแลงโดยอาศัยน้ำหมอกน้ำค้างบางชนี่นไปบานเอาหน้าร้อนต่อหน้าฝนดอกคูนเหลืองสะพังทั้งหมดนั้นพอจะเปรียบได้ครูบาอาจารย์ยกรุ่นหลัง ยุคค่อนพุทธการคือยุคนี้มาเอิญให้ลุกมาปกให้ตื่นมาเทศมาแสดงชี้แจงแถลงไขชี้ช่องต่องทางโดยอาศัยพระธรรมวิทย์ในที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ประพฤติปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนเหมยเหมยน้ำหมอกน้ำค้างคนว่าน้ำหมอกหูจักสมอร์นิ่งดิวจะฝรั่งว่าน้ำน้ค้างยามฟ้าสางนะคอลภาษาฝรั่งมไปอีกอันหนึ่งแต่ภาษาบ้านเราเหมยเหมย ครูบาอาจารย์ก็เหมือนน้ำหมอกน้ำค้างยังไม่เหมือนฝนฟ้าเพราะไม่ใช่พระอรหันต์พระอริยเจ้าอะไรท่านทั้งหลายผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังแล้วด้วยความคิดพิจารณาตามก็เห็นเลยว่าเออแมนคว่ำเพลนไว้ก็จึงเหมือนกับดอกไม้ที่แบ่งบานในหน้าแรงลุกโคด่าวนพ่งพงไผ่เถือนยู่ทางไข่กาบอ่าละอองหอมเพลินหอมเดียนี้ท่านทั้งหลายก็ค่ะกันเริ่มแบ่งบานบางคนก็บานด้วยศีล บางคนก็บานด้วยการให้ทานบางคนก็บานด้วยสมาธิภาวนาแล้วแต่บุญญาบา ร, รมีที่สั่งสมเอาไว้อย่างวันนี้ก็หากกันบานอีกแล้วบานด้วยการให้ทานสร้างกุติหลังใหญ่โตนี่คือจิตใจที่แบ่งบานด้วยทานด้วยอาศัยธรรมที่ท่า น, นสร้างเป็นทานะบารมีบางท่านก็แบ่งบานด้วยศีล ที่ไหนประกาศอบรมสมาธิภาวนาหลั่งไหลกันไปไกลแค่ไหนก็ไปอย่างนี้เรียกว่าพากันเบ่งบานด้วยสมาธิเบ่งบานด้วยปัญญาการฟังเทศอยู่ในขณะนี้ก็กําลังจะไขประตูหัวใจเบ่งบานรับอสติปัญญาสร้างปัญญาปารมีปัญญาแปลว่าความรอบรู้ปารมีแปลว่าสะสมตืมบ้านเฮ้ว่าตืมมาเม่นฟ้าอัดหายฝาดแดกด้วยรมีนี่ยนะ บาละมีนั่นแปลว่าพิ่มขึ้นสะสมขึ้นคนอีสานบ้านเรานี่เน้นเรื่องปัญญาบาละมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่คงจะจาได้เวลาคนล้มคนตายก็ดีงานแจกข้าวก็ดีเอาบุญบ้านเอาบุญเฮือนก็ดีคืนไปเฮือนไดสมัยก่อนเทสะโรดปัญญาบาละมีเน้นในหน่อยเปิดหนังสือไบรแลนขึ้นไตเทียน น a m o tathagatupanyanyupe to sukato v i t a l เจตตตตริะเซโกวีญาญาณตัญนัทโลญลกันนทหฮีตะถังวาจินเตหันตะวานนปะปังจักมันโบอีหยั่งบูจักนํากันทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังเองเหมือนกันไม่รู้มันจะได้ปัญญาบาลมีหรือจะเป็นโมบาลมีเพิ่มลงไปอีกว่ากันว่าปัญญาบาลมีนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจจะได้บุญได้กุศลมาก ไม่สอกนาลกหมอกใหม่มันก็จริงถ้าหากเรามีปัญญาปัญญาหิเศธายาอยา่างโลกสมิงยาอย่างนิเพถ้าขามไม่ดีปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาที่ชำแรกกิเลสไปสู่ความทุกข์อะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าปัญญาสัพเทธรรมาปัญยุตราทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดแต่เราได้ปัญญากันหรือไม่นี่มันมีปัญหา ไปฟังเรื่องปัญญาารมีก็ฟังนั่งนอกเองันนิติตั้งบริบวนคนทอนี่สาธุยกมือทบ ห, หัวออยากให้จบแต่เฮงอุ่นฟังโบว์เรื่องก็บปจักษมันก็เลยไม่ได้ปัญญาปรมีกันนอกจากนั้นอุณหศรีชัยพวกเราทําอะไรกันสมัยก่อนนั้นพ่อแม่ท่านสอนไว้ดีแต่เราปฏิบัติการไม่ได้ผลเพราะว่าทําไม่ถูกฟ้าถูกตัว วันนี้เรากำลังมาสั่งสมปัญญาพลัมีเพื่อสั่งสมความเป็นชาวพุทธอาดมาเลยขอแสดงความรู้สึกในใจวันนี้ว่า ด, ดีใจอ่อนซอนสะออนใจหลายเห็นพี่น้องชาวพุทธสมาคมมาถึงแม่ไม่มากทีนี้ที่พูดนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเขาเล่าว่าจะพูดเรื่องอะไรนะเนี่ยอันหลายว่าฟันซิบอ้อยยังฟันฟังนอสันซิบ อ, อ้อยนแต่บ่านอนอเตรียมตัวง่วงเอาจาวนอนไว้ได้เลย มันประมวนไป็นใได้เนาะเพราะเห่นั้นการเข้าสู่เรื่องที่จะนํามาพูดวันนี้เลยพูดอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นโปรเซสเป็นกรรมวิธีเป็นเอา l i n e เป็นแนวสังเขปเป็นสตั๊เจอร์เป็นโครงสร้างให้มองเห็นไปเป็นเรื่องเป็นราวแบบมุ่งมุ่งเป็นบอยเองให้ฟังอาตมาเห็นว่าท่านที่เป็นพุทธสมมาคมเป็นสมาชิกประกอบไปด้วยข้าราชการ บำนานข้าราชการที่ยังทํางานอยู่ล้วนแต่ปัญญาชนมีเบสิกสมีพื้นฐานที่พอจะฟังรู้ดูออกมั น, นี่จะขอพูดเรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเขียนลงไปได้เลยว่าเรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาโลกในยุคปัจจุบันเอาให้มันหนัหนกหน่อย เรียมง่วงนอนไว้ได้ยอมผู้ชายปวดขานั่งขัดสมาดได้ไม่บาปถือว่านั่งสมาธิยอมผู้หญิงถ้าถนัดก็ได้ไม่เป็นบาปคนอินเดียคนสีลังกาเขานั่งกัตตาสมาธิกันทั้งนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายเหตุใดที่อาตมานำเรื่องนี้มาพูดคือเลือกพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่สมาชิกของพุทธสมาคมให้มันสมศักดิ์สีที่ว่าสมาคมของผู้รู้ และที่แน่นอนทีสุดให้มันสมศั ก, กยภาพของลูกหลานพระยาสุวรรณพิงคานผู้สร้างพระธาตุพนมพูดจะดตัด้งมรดตนเองบูชาพระพุทธเจ้าลูกหลานของพระยาสุวรรณพิงคานมาพร้อมกันใต้ร่มไม้วันนี้อาตมาภาคภูมิใจอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นแต่อย่าเข้าใจว่าอาตมาเป็นพระพุทธเจ้านะใกล้ที่อยู่พระพุทธเจ้ามากขึ้นพระพุทธเจ้ามีอายุแปดสิบปี เริ่มออกบวชเมื่ออายุใต้ยี่สิบเก้าปีนะั้นจะเห็นชีิตของท่านอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเหมือนเรานั่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดอยู่ใต้ร่มไม้ตัดสรู้อยู่ใต้ร่มไม้บวชอยู่ใต้ร่มไม้เทศแสดงพระธรรมเทศนาเปิดพระไตรปีดก สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบหกหน้าส่วนมากชีวิตท่านอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินแสดงธรรมเป็นหมื่นหมื่นครั้งในพระโสส่วนมากคนฟังนั่งอยู่ใต้ร่มไม้คนเทศใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเหตุนั hey, ้นวันนี้เราได้มานั่งใกล้ชิดเอามือลูกแผ่นดินหลายๆโอพระพุทธเจ้าอยู่จังซี่จังซี่จังซี่ชิดหอดท่านมากๆแล้ววันนี้เราจะได้เข้าใจ เรื่องราวเกี่ยวกับคำส อ, อนของท่านอาดมาก็เลยภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งเรื่องที่จะนำมาการที่วัาสถานการณ์พุทธศาสตรนาโลกในยุค ป, ปัจจุบันนี้เพื่ออยากจะมาชักชวนเราท่านตั้งหลายได้มองดูสถานภาพที่แท้จริงของเราชาวพุทธและภาพรวมของพุทธศาสตรนาโดยทั่วไปวันเดียวนี้อยู่ในลักษณะอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไร มีความเป็นอยู่อย่างไรและจะมีแนวโน้มแห่งความเป็นไปอย่างไรมันต้องมองทั้งอดีตมองปัจจุบันและมองสู่อนาคตขั้นสุไปทั้งหนาให้เลี้ยวหลังของเกา่าขั้นมาหลูดถูถ่าเศร้าถอนยาสุไปล้านเอ้ยยาสอนหลานสอนไวทำให้เราได้คิดก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้มันมีสภาพอย่างไรเอาล่ขอมองในยุค ป, ปัจจุบันสัก่อนสะท้อนสู่อดีตและจึงโยงไปสู่อนาคต ปัจจุบันนี้พุทธศาสนาถ้าดูลักษณะความเจริญก็เหมือนมันจะเจริญเหมือนจะเจริญคือดูลักษณะทุกวันนี้มีคนสนใจธรรมะมากไม่เบาหนังสือธรรมะตามแฝงมีขายมากขึ้นและมีโลงพิมพ์ที่เกี่ยวกับธรรมะในมากขึ้นอย่างเทปบรรยายธรรมะของอาตมาเมื่อวันที่สิบถึงสิบเจ็ดนี่มีคนเอาไปถึงพันห้าร้อยมวล แสดงว่าคนตื่นตัวพอสมควรแล้วมองไปไกลออกไปทางต่างประเทศวันที่15มกราคมที่ผ่านมาหนังซื้อพิมพ์ทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์และโลกเสรีประโคมข่าวใหญ่อันหนึ่งที่ที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้คือรัฐบาลโซเวียตซึ่งเป็นประเทศหัวหน้าใหญ่ค่ายคอมมิวนิสต์ประกาศอนุญาต ให้จดทะเบียนพุทธสมาคมชาวโซเวียตขึ้นที่กรุงมอสโกเพราะแต่ก่อนนั้นเขาขอมานานไม่อนุญาตแต่เฮนี้เขาคงรอคอยนี้มันเวลานี้มานานเห็นว่ารัฐบาลในยุคอบาชชบนี่คงจะอ่อนทางอนุนโยบายที่รุนแรงแข็งกล้าวนี้ได้ได้อ่อนตัวลง เขาเลยทําหนังสือยื่นขออนุญาตจากรัฐบาลตั้ง พ, พุทธสมาคมเหมือนพุทธสมาคมชาวสกลนครเราประเทศไทยเราไม่มีปัญหาใครจะตั้งก็ได้เพราะเป็นเมืองพุทธอแล้วนี่เมืองคอมมิวนิสต์ซึ่งแอนตี้ศาสนาโนริยัน์ไม่มีศาสนาอยู่แล้วในที่สุดไปขอจดทะเบียนพุทธสมาคมขึ้นที่ใจกลางกรุงมอสโกซึ่งมอสโกเนียจะมาเคยไปนอนอยู่สามคืนเมื่อสองพันห้ารอยี่สิบสี่ที่ผ่านมา ปาอกว่ารัฐบาลโซเวียตตะลึงเขาบอกสคสลิตืองงนิดหน่อยว่าทำไมมันมีขึ้นได้เขาก็เลยอนุญาตอนุญาตให้ตั้งพุทธสมาคมบุ i ิโซ o ซต e t อ o โซ o วีย t เกี่ยวถึงสองมื่นคนแล้วหนังสือพิมพ์กว็วิจารณ์ต่อไปว่าสมาชิกและองค์กรของพุทธสมาคมในโซเวียตนี่มี แนวโน้มที่จะเป็นผู้มีบทบาทเป็นผู้มีบทบาทในองค์กรแห่งการพัฒนาประเทศชาติรัฐบาลก็ไม่ไม่ขัดข้องไม่เกียิไม่เกี ย, ก, ยกันแต่ทำให้เกิดอาการงงนิดหน่อยว่ามันมีขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเขาบอกว่าลักษณะของพุทธสมาคมผู้ที่เป็นสมาชิกนั้นล้วนแต่เป็นปัญญาชนทั้งนั้นแล้วมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นมากขึ้น หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ข่าวอะไรอีกเลยเพราะอาตมาเองก็ไม่ได้มีโอกาสติดตามข่าวเดี๋ยวนี้วิทยุก็ไม่เคยได้ฟังข่าวก้าสูงก้องสูงก้าตนเองเทศเราไปก็เงียบไม่ได้ฟังประกาศอะไรเกี่ยวกับอาตมานั้นไม่ได้ฟังมันมีแต่งานดีแต่เหนื่อยแล้วอยู่ในป่าในดงเมื่อก่อนที่จะพระเดชพระคุณท่านสมเด็จผู้ถ่าจาร์ท่านจะมรณภาพไปเนี่ยท่านได้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งถึงอาตมา ลงชื่อสมเด็จพุทธาจารย์นิมอณฑมาไปป า, าทกราธรรมที่พุทธมณฑนทน่านกําลังอยู่ตรงนั้นปากร ว, ว่าจดหมายนี่ช้ามากเลยเมื่อได้รับหนังสือปับ๊บแล้วงานมันก็เสร็จปรากฏว่างานเสร็จแล้วได้รับหนังสืออีกสองวันได้ข่าวว่าท่านมรณภาพอาณมาไปแสดงธรรมที่กรุงเทพที่วัดประทุมแล้วก็เลยไปที่วัดไตรมิตรไปวัดมหาธาตุไปกราบศพ แล้วก็ขอข ม, มาว่าเออไม่ได้มาสนองพระเดชพระคุณท่านมันยากในการติดต่อเพราะเราอยู่ในป่าในดงเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้อาตมา ก, ก็ไม่ได้ติดตามข่าวอีกต่อไปบางครั้งดึกๆกอย่างมาเปิดวิทยุจูนขึ้นไปหาวิทยุของอเบซีบีบีซีของประเทศอังกฤษข่าวทั่วโลกอะไรต่างๆในรู้สึกข่าวเขามั่นคงแน่นอนมากเลยถ้ามีโอกาสอารมา ก, ก็จะฟัง เรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้มีเวลาน้อยมากอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังที่เป็นสมาชิกของพุทธสมาคมสกล น, นครของเราว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนานั้นดูลักษณะนหนึ่งคล้ายๆกับมันจะเจริญแม้ในกลุ่มคอมมิวนิสต์เองในประเทศโซเวียตก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจดทะเบียนอนุญาตจดทะเบียนพุทธสมาคมขึ้นแล้วก็ได้ติดตามข่าวว่ามีแนวโน้มว่าจะมีสมาชิกมากขึ้นส่วนมากเป็นประชาชน ทีนี้มาดูประเทศยุโรปต่างๆที่เป็นประเทศอเสรีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งมั่งค่าสนใจในการปฏิบัติธรมสมาธิภาวนาอย่างที่วัดอามามเนี่ยเดี๋ยวนี้อาราต้องซื้อที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากวัดไปประมาณสิบเ้นอีกด้านหนึ่งตั้งนไกจะทําเป็นนานาชาติเป็นนิเพทะพราลามนานาชาตินิเพนานาชาติขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้ฝรั่งสนใจมาก อาดามาได้รับนิมนต์จากฝรั่ง 5-6 ครั้งแต่ครั้งนี้รู้สึกรุนแรงหน่อยถาวายที่6เอเคอร์แล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งยอมยกให้ให้สร้างเป็นวิปัสนาเซ็นเตอร์ขึ้นดิ้นิวเซาแวล e ์ออสเตรเลียเมื่ออาดามาได้รับนิมนต์แล้วยังไม่คิดใหญ่ไฟสูงถึงขนาดนั้นว่าเราจะต้องไปที่นั่น คิดอย่างเดียวว่ายากดีมีจนจะอดทนกัดกินก้อนเกลืออยู่กลางโคกเมืองสกลนครอันแห้งแล้งบ้านเหล่านี้มีความน้อยใจบางครั้งสมัยก่อนมาทําไมพระเมืองสกเลเรานี่ก็ดีพระผ้า อ, อ, อีสานไปเรียนกรุงเทพมีความรู้มากๆเป็นมหาปริียนได้ด็อกเตอร์ได้ป ร, ริญญาบางทีเป็นพระครูเป็นอะไรขึ้นไม่อยากกลับบ้านกลับมาบ้านอยู่บ่ได้พอสามเหมือยันไปโลกขาดอาหารย่านเป็นโลก กระเพาะตายแนวกินบอแซบคือกรุงเทพเขารีบกลับแล้วก็ปล่อยให้หลวงพ่อหลวงตา ง, งกเงื่อนเฝ้าวัดเฝ้าวาไปหาคนที่มีคุณภาพทางศาสนาหายากอาตมาเองก็ไม่มีความรู้จบชั้นปอสีนะัธรรมตีก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออช่างอาพเลยเกินเราชอบเรื่องสมาธิภาวนาไม่ถนัดในการเทศการสอนต้องโดดเยงเยงมาเทศมาสอนสละ ง, งานที่ชอบที่สุดกลับไม่ทํา พันธุ์ังหลายในนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าจะมาเป็นนักเทศนักสอนนักป า, กาฐกถาและพอใจที่จะทํางานนี้ความจริงเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยงานที่ถนัดที่สุดชอบใจที่สุดไม่เบื่อหน่ายคือสมาธิภาวนาวันวันหนึ่งไม่ให้เห็นหน้าใครยิ่งดีเลยขออาภัยพูดแล้วพูดอีกเป็นร้อยครั้งและคํานี้ไม่ไม่ ไม่ใช่ตั้งไกตั้งแก้งพู่อย่างนี้มันมันเป็นความจริงว่าวันใดอารามาไม่มีคนมาหาเนี่ยเป็นความสุขที่สดได้อยู่กับสมาธิมันเป็นอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นหยุดไว้สก่อนอาศัยติดไดชาร์จเอาไม่ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนเอาได้ชาร์จมาติดไว้ไปนั่นก็ชาร์จมันไปเลยเวลาใดไม่ได้พูดไม่ได้เท่ไม่ได้พู ด, ด, พดคงก็ทําสมาธิอยู่ในรถในเรือ ม, มันเรื่อยเปื่อยไปเราเรียกว่าคนรักข่าไก่คนใบข่าไก่จับยัดเขาผูดังเนี่ มีสติอยู่ทุกลมหายใจไว้นี่พอมันไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งหลับหูหลับตายุบน้อพองนอพุทโธสัมมาอรหังกิร ป, ปานในเขาเมืองคนอื่นเช็คลากไปไทยลากมาแขกลากไปมันไม่ได้หยุดได้หย่อนไป อ, อย่างนั้นก็เลยต้องทําอย่างนี้เป็นอันว่าเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งมีความสนใจอาตมาก็ไม่เอาไม่เอานะไม่เอาตั้งใจจะอยู่ที่บ้านเราเมืองเราเพื่อทําประโยชน์ที่นี่มองดูต่อไปในต่างประเทศ ในยุคปัจจุบันนี้ฝรั่งต้องเดินทางไปจ้างเรียนสมาธิภาวนาที่ฝรั่งเข้ามาศึกษามาค้นในประเทศไทยเพราะได้แบบอย่างเนเขากลับไปบ้านทำอะไรรู้ไหมนี่จุดหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดฝากาท่านสมาชิกพุทธสมาคมอย่าหลงละเลงดีใจปื้มปีติว่าเออศาสนาเราดีแม้แต่ฝรั่งมั่งค่าก็ยังสนใจอามาอยากบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าพิ่มดีใจ พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในพมะชละลสุดไปเปิดพมะชละลสตรสูตรแรกของพระสูตรทั้งหลายทีขัตติกายมหาวัคเริ่มชี้ก้า ว, วสืบลคันทวรคสูตรเปิดปุ๊บเห็นปับ๊บที่เขาด่าพระพุทธเจ้าตลอดทางตลอดทางว่าจะคือไปปาว่าด่าแต่ลูกศิษย์สรรเสริญหัวหน้าดา่าพระที่เดินตามพระพุทธเจ้าได้ยินแต่เสียงดา่าไปตลอดกับเสียงสรรเสริญหัวหน้ามันดา่าลูกศิษย์หนึ่งสรรเสริญ ไปถึงร่วมคุยกันว่าทําไมหัวหน้ามันดาลูกสิมันสนเสิญพระพุทธเจ้าท่านเดินไปถึงได้เห็นภาคคุยกันก็ถามว่าพวกท่านคุยกันเรื่องอะไรภาคก็บอกว่ากําลังคุยกันในเรื่องเนี้ยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใดเขาสรเสริญอย่าพึ่งไปดีใจเวลาใดเขาด่าอย่าไปโกรธต้องมองให้ดีโยนิโซวิชเนทมังปัญญาจะทั้งมีปัสสติจงค้นควา้า สอบสวนทำนั้นถึงต้นต่อถึงรากเงาถึงแฟกเตอร์ถึงส่วนประกอบของมันจึงจะเห็นด้วยปัญญาอันชัดเจนอาดมาไม่ดีใจล่ะฝรั่งมานิมอนอาดมาไปห้าหกครั้งเขียนจดไม้ถามมาทางจดหาม้อาดามาตอบทางเทปส่งไปไม่ดีใจส่วนมากถามมาเราก็มักจะตอบข้ามข้ามอะไรรู้ไหมคำพีรไบเบิลอันเป็นคำสองศาสนาคริสต์นั้น มีหลายส่วนที่เป็นส่วนดีๆเกี่ยวกับหลักธรรมที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นหัวใจของผู้ศาสนาเช่นกันคือทำลายอ t t a c h เนี่ยขอพายพูดภาษานีหน่อยที่นี้เดนมามักจะไม่ทิ้งหลักของคัมภีร์ไว้บนนั้นด้วยทั้งวันนี้คือไม่ไว้ใจว่าที่เขาถามมาเนี่ยเขาถามเพื่ออะไรบ้างบางครั้งมีผู้หญิงฝรั่งไปอยู่ที่วัดเป็นผู้หญิงสาวๆสวยๆด้วย และทำยังไงให้หลายลองคิดดูเป็นดาบสองข่มก็ได้อาตมาไม่ไว้ใจถ้าผู้หญิงฝรั่งมาก็ไม่มีโอกาสเท่าที่ควรที่จะสอนธรรมะให้แก่เขาอย่างละเอียดแล้วการนุ่งห่มของเขานั้นไม่สุภาพเรียบร้อยเหมือนพวกเราพระพุทธเจ้า ว, ว่ามาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วระวังให้ดีแล้วพะที่วัดก็มีแตวพระหนุ่มเนนน้อยอาตมาจึงหนักหนักใจอยู่ก็เลยซื้อที่ขึ้นมา ยี่สิบหกไล่แล้วก็ยังมีที่ต่อต่อกันเขาจะขายยังไม่มีที่เซอรอจะทำเป็นนิเพธนานาชาติฝรั่งมาให้อยู่นู่นไม่ให้มาปนไม่มามิกซ์กันเพราะมีฉะนั้นจะมันจะคุกเขาจะสับสนปนเปไปใช้ห้องน้ำเดียวกันไปใช้อะไรกันเขาฝรั่งผู้หญิงนั่นดูแล้วไม่เหมือนชาวบ้านบ้านเราดอกก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาฝรั่งสนใจอย่างที่วัดเนี่ยมีมาศึกษาธรรมะเรื่อย แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องม า, าภาคภูมิใจและดีใจเป็นดาบสองคมก็ได้อาจจะมาในแง่เพื่อจะทำลายพุทธศาสนานก็ได้เอปกะกริกหนึ่งถ้าเข้ามาในความปรารถนานดีแต่ความรีบร้อนทุลีผามของพวกฝรั่งพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเขานั้นไกลห่างกันมากจากเราอาจามากล้าพูดได้เลยว่าถ้าจะมาฝึกสมาธิใส่กันฝึกฝรั่งเจ็ดเดือนติดต่อกันอย่างมีระบบ ฝึกคนไทยที่นั่งสลอนอยันนเจ7ดวันเก่งกว่าเก่งกว่าแต่เสียอย่างเดียว่าไม่เอาจริงคนไทยเรายังไม่พร้อมที่จะให้ฝึกที่อุตสาหประกาศไปรวมกันนักพบผู้ฝ่ายธรรมเพื่อจะฝึกสมาธิดูนั่นก็ยังมีมาที่ฝ่ายธรรมนั้นมาจากต่างจังหวัดมากแต่พวกเรายังไม่มีดอกสกลนครยังน้อยยังไม่ตื่นตัวในด้านนี้แต่คาดว่าต่อไปคงจะตื่นกัน ไม่ใช่เรื่องอาภัพเพราะว่าเรามีเชื้อไฟมีพ่อมีแม่นนะับถึงาศาสนานี้มาตลอดเดี๋ยวนี้ก็เลยไปอย่นี้พวกฝรั่งต้องเดินทางไกลๆไปจ้างเดือนละสองหมืนบาทค่าจ้างเรียนสมาธิเมื่อฝรั่งบางคนมาเรียนพุทธศาสนามาฝึกสมาธิภาวนานิดหน่อยแล้วเขาก็จะกลับไปรู้บ้างไม่รู้บ้างไปตั้งสํานักสอนอย่างศูนย์อย่างวิปัสนาอาคาเดมีอะไรต่างๆพวกเนี้ยไปแล้วเป็นไง อันนี้ที่พระพุทธจ้ากล่าวว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะเหตุแห่งศัตธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นคือธรรมะปลอมจะเกิดขึ้นเมื่อพื้นฐานทางวัฒนธรรมเขาไม่มีพร้อมเนี่ยเขาจะแอดจัสเขาจะปรับปรุงหลักธรรมคาสั่งสอนของเราเนี่ยให้ไปเข้ากับพวกคําสั่งสอนของพวกเขาเพื่อความถูกกริดิจกัการของชาวฝรั่งเมื่อนั้นธรรมะปลอมก็จะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นศรรัตรูปฏิรูปจะเกิดขึ้นกลัวจะเอาไปปูยี่ปูยำเป็นสินค้าเป็นพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดคลอรดระบบอบรมแล้วเก็บเป็นเถื่อย่างที่อย่างที่ธรมมคีรีที่ประเทศอินเดีย่านั่งรถไฟจากบอมเบย์ไปนาสิกเนี่ยมีภูเขาได้เตี้ยอยู่ลูกหนึ่งเขาเขามีธงตั้งไว้สูงๆแล้วเขียนเขียนป้ายเป็นภาษาฮินดูภาษาตุลกูภาษาฟอสโตลแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่า ด, ดัมมะคีรีตรงนั้นสองผัวเมีย แขกตั้งสำนักสอนวิปัฒนาฝรั่งจองล่วงหน้ากันตลอดเวลาสามเดือนต้องบุ๊ล่วงหน้าเต็มอยู่ตลอดคอร์สหนึ่งก็คิดเป็นเงินประมาณสองหมืนบาทนี่นี่เป็นห่วงเอกอันหนึ่งว่ า, าศาสนานี้แทนที่มันจะเจริญอย่างรวดเร็วมันกลับจะนำไปสู่ความเสื่อมจเจริญไปสู่ความเสื่อมก็ได้ฝากเราชาวพุทธสมาคมให้สนใจในเรื่องนี้อีกด้วยอีประการต่อมาเดี๋ยวนี้มองมาดูในประเทศของเรา สถานการณ์พุทธศาสนาในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยประการหนึ่งดูเหมือนจะเจริญคือคนสนใจในเรื่องสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหลักธรรมชั้นสูงซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยจะมีเรื่องบวชชีพามเนกมะจารีเนกมะจารีนีแต่ก่อนไม่เคยเห็นถามพ่อใหญ่ไม่ใหญ่รุ่นนี้สามสิปีสีสิบปีก่อนเคยเห็นไหมไม่มีไปจําศีลกับปายพอได้นอนวัดพอให้มันแจ้งตื่นมาไปบ่อพื่นลูกเคยบ่อพื่นลูกไผ่อยูย่หันแล้วพอแล้วว่าได้บุญ ไม่มีดอกที่จะมานั่งสมาธิภาวนาครูบ า, าอาจารย์ก็ไม่แนะนำข้ำซ้อนอะไรต่างๆอย่างนี้แต่ต่อมาต่อมาในสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นอย่างนั้นคือมันหายไปเรื่องสูงๆทำม่อันจะมาใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ความโง่ไม่ใช่ความเสียหายอะไรของพ่อแม่โบราณของเราเป็นเพราะเหตุว่านในสมัยนั้นท่านไม่มีความทุกข์เหมือนพวกเรา ไม่จำเป็นต้องมีสมาธิไม่จําเป็นจะ ต, ต้องมีภาวนาอะไรมากเป็นเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกคือต่อต้านเชื้อที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เป็นระบบอิมมินเนตี้ภูมิต้านทานต่อความทุกข์ทางทจิตใจสมัยก่อนคนมีความสุขใจตามภาษาบ้านนอกบ้านนากันสบายๆทำข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำนาเสร็จก็มีสุขใจขันดหน้าแล้วมีความสุขใจเข้าวขึ้นบ้านแล้วสบายใจเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาสบายใจ ยากสีดำมือนีเกี่ยวมือนีฟาดมือนีขายมือนีไปใส่หนีเกษตรมือนีดำอีกมืออื่นหนีทำนาปีละสิบขนก็ยังไม่พอกินยังเป็นทุกข์ตัดปอก็อยากจะตัดมือนีแซมือนีลอกมือนีตีมือนีตาแห้งมือนีบ่อแห้งอยากเอาไฟไปย่างให้มันแห้งเอาไปขายมือยังไปเซาเหม็นเงินหมดแล้วตีปอนั่นมันไม่ทุกข์แหละทุกข์กว่าสมัยพ่อสมัยแม่ของเราไม่มีเงินมีทองน้ําไหลไฟสว่างมีทุกสิ่งทุกอย่างถึงยุคพุสปตันเดยุคกดปุ่มเดี๋ยวนี้ แต่ความทุกข์ทางใจมันมากความสุขความสบายทางกายมันมากแต่ความทุกข์ใจก็ยิ่งมากขึ้นผู้เฒ่าผู้แก่ต่อไปสือบได้ตมหมากจุกจุกๆุแนวนี้ละมันสิกดต๊องรอตลอดเขากําลังจะทําเครื่องปั่นหมากด้วยไฟฟ้ามาให้ใจเย็นเย็นแม่อุ้ยทำใจเย็นเย็นเด้อเขากําลังทำอยู่กาลังออกแบบพอเสร็จแล้วนี่บได้ตําจุกจกจิกจิกอยากดอกแต่นี่ต่อไป ไม่ต้องเอาอยางไม้มายองตังนี้กดแกะกดแกดะทับภูรบอกคือฉลาดทพูละ่ะต่อไปนี่จะมีกดตัวไฟฟ้ารกเสร็จแล้วก็ยัดใส่อีกกล่องหนึ่งกดทับออกมาเป็นก้อนเหมือนยาลูกก่อนมมกลับรดบัทนี่ยคงจะต้องรอคอยกันอีกหน่อยนะแล้วต่อไปนี่ไม่อยากละนี่ก็เรียกว่าพุชวัตเ็นเอฟยุค ก, กดปุ่ม ความเจริญในยุคปัจจุบันนี้ไม่สามารถทําให้คนมีความสุขใจแต่ก่อนฟังวิทยุ ธ, ธ, รรธรรมดาธรรมดาทางทวิตเตอร์มีความสุขฟังหม้อลํำ909สถานีขอนแก่นเดียวนี่พอเป็นตาสแตตมันต้องสเตอริโอพาลาญนี่โทรทัศน์แต่ก่อนเอ้ยมีโทรทัศน์ขาวดาเป็นสุขใจแต่แท้พี่น้องมาหุ่มมาตุ่มเบ้านจนเฮือนสิหักมาเบิ้งโทรทัศน์เดียวนี่ถ้าดูขาวดำเน้่ยถูกตายเลยบ้านอุ่อังทางทวง ต้องไปซื้อหราฮัต ส, สีไม่เคยพออาญาตนะเนี่ยขยายขึ้นไปเลยมันก็ทุกแหละเมื่อมันทุกอย่างนี้เอาหนังแหละมาแก้ให้ใจเป็นเป็นสุขความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่มันอยู่ที่ใจอีตรงนี้เรื่องสมาธิเรื่องภาวนาจําจะต้องมีบทบาทขึ้นมาถ้าใครฉลาดก็สามารถอยู่ในโลกอันผันแป่นี่ได้อย่างไม่มีความทุกข์อยู่ท่ามกลางความร้อนด้วยความเย็นเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงู ปางมีพิษแต่ลินงูไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อยู่ในเทคโนโลยียุคไฮเทคนี้อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าหากท่านมีธรโมโลยีใช้ศัพท์ใหม่ๆท่านเรียกว่าธรโมโลยัยมีธรรมะชั้นสูงด้านสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้ผู้เท่าเป็นทุกข์ทุกข์กันหลาย่านลูกขโมยเนี่ยเพราะลูกมันไม่มีศีลมีธรรมมันก็ทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์ขันว่าร้ายให้ลายหมาก็ไดเลยไปเอาบุญบัติลงหมอกไฟนี่ละจ้อยได้ไหมฉัน เลยไปกงเทพสัมพ่มโบยจนนากเห็นหนาใด้เงือนเนี่ยวฉันพ่อแม่ก็นาอยู่เลยก ล, ลูกสาวจะไม่กลับบ้านเอาแม่เจ้าเดีย๋ยวนี้ต้องกลัวเขานะเป็นทุกบางคนเลียเ้ยงเลี้ยงูกมาเต็มบ้านเลี้ยงหลานมาเต็มเรือนแล้วเป็นทุกเป็นทุกข์สั่มเถาตกนรกสั่มเถาไม่เป็นตกหยังตกยมบุกน้าหลานนั่นแหละบางทีเขาตีหมูซาตีมาเสียดขึ้นบ้านก็าจ้องเตะกระบุกกระตาแต่เขาอยากให้ เพื่อนเพื่อนตามตีงัวตีควายเขาพูดจากระโชกหักไม่ไงพออุ้ยพอหันหนาา้าเข้าฝาเซตน้ําตาเท่านั้นก uh, ูอยากตายเด๊เท่านั้นไม่ได้อยากตายในขณะที่อยากตายนี่อุ้มหลานไปควอมไหนอยู่ในเอิกเจ้าหน้าที่าธารณูทนพญาคมพญาเวนุยรร่ยารร ม, มาเอาผู้ข่าไปทอนพอได้บาดเนี่ยเลี้ยงเขามาพ้าเขาใายแล้วเขาบอกเขาสั่งอีทานี่เขาอยากเคยตายว่าสินเชิญตังตาท้อมในขณะเดียวกันอุ้มหลานไปด้วย ล้า น, นันึงคือลูกของลูกหนึ่นคนโบราณพันวา่าอายุยืนเงาวมันหลายปีเห็นหลากมะพองงูเถิกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูเดือนเจียงเข่นหนาวล่มโบหัวเมืองเดินยีซึ่งเราห่อนเดือนหาพตาหนา่ามูเถิงหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูอยากตายสั่งลูกมันแต่ก่อนล้านมันไวผจดัอกอายุายืนบาดเี่ ไต่บัรภาษาทุทอนในภูเขาอายุยืนยืนอยู่น้ำหลานตนๆกําลังเป็นตะแพงพระบ า, าราหนี่าการเสื่อจาังไดมันกับโลกประสาทเป็นหัวเท่า น, นั้นเองวันนี้ความทุกข์มากขึ้นในมไฮเทคเทคโนโลยีช่วยอะไรได้ถ้าหากไม่มีธรรมะเพราะเหตุนั้นอรมาจัดงานนัดพ่ะผู้ฝ่ายทำสงสารผู้เท่าดอกอยากเอาผู้เท่าไปเสามีเฮงเพิ่นพระปรไปรสํามไดบาทนี่ให้หลานใส่ให้ลูกใส่กันแล้วกันจะใายแล้วก็นบหาพญากมพญาเวน มาเอาภูเขาไปเทิมผันเศร้ายากษ์ให้ผัดแพงล้านผัดยักษ์สาทุธร์อายุยืนยืนเด้อผัดปลาเนี่ยเฮ้ยฉันจะเอาจักไดนี่พเรางูเถิกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูหัวซกไปในหน่วงสิตายไปแล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูสิเอาหนูมากินอีกสร้างลูกเขาไปทักล้านมันจะเอายังไงไอ้เนี่ยเอาละเป็นอันว่าในยุคปัจจุบันนี้จําเป็นจะต้องใช้ธรรมะอย่างสูงมันจะมีสับสนกันทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาคล้ายๆกับใจเจริญคือคนสนใจทางด้านสมาธิภาวนามากขึ้นแต่มองอมุมหนึ่งบัดนี้หน้าตก อ, อกตกใจหน้าหวาดเสียวเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นระหว่างชาวพุทธด้วยกันแตกกันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นซ้ายเป็นโมูเป็นคณะสามัคคีกันไม่ได้ผู้กันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็เกิดพุทธภูมิขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดสันติอโศกขึ้นมาทำมากรายขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต อย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญของศาสนาของชาติบ้านเมืองจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมประเทศอินเดียศาสนาพุทธเกิดตรงนั้นพระพุทธเจ้าเกิดตรงนั้นพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองพุทธศาสนาหมดสิ้นในอินเดียสาเหตุมันมีให้มันเสื่อมเพราะเหตุแห่งการแตกกันเป็นกกเป็นเหลา่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นโมงเป็นขึ้นามาก้างต่อมาอีกมีพวกนักการเมืองมีคนที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาฒนธไปเข้าข้างฝ่ายนอนเข้าข้างฝ่ายนี้ มีอิทธิพลจากศาสนาเป็นโมเมนตัต่ำเป็นแรงเหวี่ยงผลักดันออกมาทะเลาะ ก, กันในที่สุดพระราชาในสมัยที่ยังมีพระราชาเวลาใดพระราชาองค์ใดได้ขึ้นมาปกครององค์นั้นนับถือศาสนาอื่นเมื่อ น, นั้นพุทธศาสนาก็หมดสิ้นไปหมดสิ้นไปเดี๋ยวนี้ถ้าท่านจะมองความมั่นของของศาสนาขอฝากท่านที่เป็นสมาชิกพุทธสมาคมท่านมองคนสองจำพวกให้ชัดเจนหนึ่งพระสององค์เจ้ามีสินธรรมเพียงพอหรือไม่ มีจริยธรรมเพียงพอที่จะเป็นที่พึ่งเป็นเนติเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านได้หรือไม่สองมองไปแปหาเจ้าใหญ่นายต่อข้าราชการข้าราชการผู้ปกครองประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนสนใจในศีลในธรรมหรือไม่เขาปฏิบัติธรรมกันหรือไม่ประชาชนปฏิบัติธรรมดีแต่ข้าราชการผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองก็ดีกลุ่มชนแต่ละหน่วยก็ดีถ้าพวกนั้นยังไม่ประพฤติปฏิบัติธรรม เมื่อ น, นั้นยังไม่ใช่ความสำเร็จของสาตนายังไม่ใช่ความสำเร็จของพระสงฆ์องค์เ่ายังอาดมาเนี่ยอาดมาไปเทศที่ไหนคนสนใจฟังมากๆอาดมายังไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จแต่ถือว่าเป็นผลงานอันหนึ่งที่ทำมาได้แค่นี้แต่ถ้าเมื่อใดทำให้ข้าราชการในจังหวัดสกลนครหรือในอาเภอของถิ่นจังหวัดสกลนครปฏิบัตริรมขึ้นมาศึกษาทำขึ้นมาไม่ช่อราบไม่ฟังหลวง ไม่ขอรับชันขึ้นมาปฏิบัติกันจริงไม่เห็นข้าราชการกินเหล้าเมายาหัวที่หัวตําเมื่อนั้นประชาชนดีแน่ๆพระผู้เจ้าใหม่ในเมนไปที่เด็กท่านเม้นไปที่ผู้ใหญ่คุณนันเจตระมานานังอุชุงคัดสันติปุงขโบโวสภาตาอูชุงคัดสิเนะตเตอูชุงคัเตสติเมื่อใดก็ตามผุงโคลข้ามไปถ้าหัวหน้ามันไปก่อนหัวหน้าไปตรงอุชุแปลวัดตรงถ้าหัวหน้าไปตรงเมื่อนั้นลูกฝงก็ไปตรง ในหมู่มนุษย์เอวะเมวะมนุษยเสสุโยโหติเศธัสมตโตโซเจธรรมิกังจราติปะเทวอิตราปรชาในหมู่มนุษย์ถ้าหัวหน้าของมนุษย์หัวหน้าหมู่บ้านกำนันก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีนายอำเภอก็ดีประลัดก็ดีข้าราชการครูบาอาจารย์ดีถือว่าเป็นเศธัสมโตบุคคลผู้ที่ถูกสมมุติเป็นผู้ใหญ่เศรษฐะเถโผผู้ใหญ่ผู้ประเสริฐเนี่ยเป็นผู้อยู่ในสินน่งนห้ามเมื่อนั้นสัพพังแลถังสุขังเซติ แว่นแขวนรัดทั้งหลายจะประสบความสุขเดี๋ยวนี้จะให้มันดีได้ยังไงไปให้เด็กดีเด็กไปเห็นครูกินเหล้าเห็นครูเล่นการพ น, นันมาบ้านเห็นพ่อแม่กินเอกไปในเมืองเห็นตำรวจกินเมาแยมแปะใส่แว่นตาดำคอยจะจับรถ ด, ดูยักรสัมมือเซ็ตเท่านั้นไปซื้อเหล้าที่นี่จังสรรได้พรา ก, กมบอประละมันก็แล้วเท่านั้นมันไม่มีตัวอย่างดีงามให้ลูกหลานเห็นเพราะฉนั้นจะไปมัวพัฒนาเด็กเริ่มพัฒนาผู้ใหญ่ให้ดีให้จริงขึ้ น, นมาพระเจ้าเน้นที่ผู้ใหญ่ เราจะเห็นอย่างนี้ว่าประเทศอินเดียนศาสนาพุทธเสื่อมนั่นเพราะเหตุแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอภิสิทธิอิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในแผ่นดินแล้วก็พระสงฆ์ในอินเดียแตกกันเป็นกกเป็นเหล่าเมื่อแตกกันเป็นกกเป็นเหล่านี้ไม่เอาจริงเอาจริงในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมการศึกษาก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาเคารพอยู่แล้วยังไงยังไงเขาก็เค า, ารพพระก็เลยบวชเข้ามาหลอกลวงประชาชนเมื่อเป็นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งเข้ามาตีความศาสนาผิ ด, ผด ท, ทั้งให้เราเห็นกันอยู่นี่ปัญหาเรื่องสันติสุขก็ดีปัญหาเรื่อ ง, อองมังส ว, งวิรัติอะไรต่างๆนี่ก็ดีตีความกันไปภายใต้ตีดกยันนี้กางนั่นตรงเป็นอย่างนี้ต่างคนต่างก็ตีความกันไปอย่างนี้เนี่ยท่านหลายลองคิดดูมันก็จะเกิดสับสนขึ้นมาเกิดคอนฟิ루ชันขึ้นมาตีไปตามใจของตนเองป่าธนาไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนขึ้นมาอย่างนี้าศาสนามันก็เสริมได้ที่คนที่ต้องการคําตอบเมื่อได้รับคําตอบนั้นไปที่ถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องก็อะ้รก็หันแล้วก็ไปตรงนั่น ไปเป็นแนวร่วมเป็นหมู่เป็นคณะผิดเป็นถูกถ้ามีหมู่มีคณะมากขึ้นยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่นายโตเขาเ้าไปร่วมวงเมื่อนั้นเกิดปัญหาทางศาสนาผิดก็เป็นถูกว่าโซอิสรยังโอเกออำนาจเป็นใหญ่ในโลกคนโาลานบอกว่าหนูสิ่งถ้ำตะบะไห่แม่วักดำกลมขาบเสื้อโคงหนอกหนอกไหวคณะเหลือดมูสวรรค์หนูสิ่งคนธรรมดานแสดงตนเป็นพระอริยอเจ้าขึ้นมา เป็นพระริยเจ้าเขาอรหันกับชาติมาเกิดภาษารีบุตรกับชาติมาเกิดเป็นไอ้นู่นนี่ขึ้นมานี่รู้สิทำดับบาไฮแม่บักดำกลมรับทีนี้คนที่ไม่ศึกษาทางาศาสนาให้ละเอียดข้อหลักคำในาศาสนานละเอียดมากศึกษาเพียงระเบียบภายนอกคือศินนั้นไม่พอสินนั้นเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมภายนอกแต่ตัวธรรมะภายในลึกซึ่งมันเป็นความจริงสิ่งที่ถูกต้องและ ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําลงไปในนั้นเป็นอีกอันหนึ่งภายในเมื่อศึกษาเพียงภายนอกไม่รู้ซึ่งภายในมันถูกใจเพียงภายนอกเมื่อ น, นั้นแม่วักดำกลมขาบคนที่มีอภิสิทธิ์มีอิทธิพลมีบทบาทมีความรู้รล้าหลอมากเข้าไปสมทบกันเป็นกําลังเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาหลังจากนั้นกอบเขียนหน่อยประห้อง อ, า อ, งางอ่านโคองสารแห่งงูเผ่าผิดเมื่อกลัวใจยากเคยได้ยินบ้างไหมคํานี้ถ้าไม่ได้ยินก็ซื้อเทปอยู่ในนั้นได้ ความฝันที่เป็นจริงพุทธธรรมนายสามมั่นน่ะมีครบชุดคนโบราณบอกกฎบเขียนหน่อยประห้องอ่านห้องสารเหตุแห่งงูเผาผิดสีเยืกก่อกลัวเกงยานเมื่อรวมตัวเข้ามากๆคนหลายคนเขา้าโย่าเย่าขึ้นมาในเอาสิทธิ์เนี่ยเทรสมาค ม, คมกรมการาศาสนากระเยะกกื่อกัวเกงยานให้จงไร้สิทธิ์ทำให้ เรื่องราวน้ยุติลงได้ทํายังไงจะดีจะ ง, งามขึ้นนี่เราดูบทบาทตรงนี้ดูสถานการณ์ตรงนี้พุทธศาสตร์ศนาไม่น่าไว้วางใจเลยสถานการณ์พุทธศาสตรนาในยุคปัจจุบนันนี้ดูความเจริญเหมือนกับเจริญแต่ดูความเสื่อมและมือนกับจะเสื่อมลงเร็วที่สดุดจนผููกันไม่รู้เรื่องอันนี้ฝากพวกเราที่เป็นสมาชิกพุทธสมาความว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก่อนนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรเอาละเรามองปัจจุบันเสร็จแล้วนะ เรามองย้อนในอดีตทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้ถือศาสนาพูดโดยกันจนพูดกันไม่รู้เรื่องแต่กันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเส้ น, นซ้ายมีหมูมีคณะขึ้นมาอาดามาจะขอยงให่ในในอดีตก่อนเพื่อเราจะได้แก้ไขปัญหาในปัจจุบันร่วมกันท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งขี้เกียจเบื่อหน่ายฟังกันแล้วกันอดทนหน่อยเพราะว่าตอนนั้นบ้านมนีเมืองนี้อยู่กันด้วยศีลด้วยธรรม โดยเฉพาะในภาคอีสานนี่ฝากชีวิตจิตใจไว้กับศาสนาไปดูตั้งแต่โคราชขึ้นมาถึง้าตั้งบังเวียงสองฝากฝั่งของท่านจะไม่เห็นร่องรอยการเผาบ้านเผาเมืองไม่เหมือนทางภาคอื่นในภาคนี้เป็นภาคที่จเจริญทางจิตใจทางวิญญาณมาก่อนในนี้ถ้าอาจารมาจะพูดคำหนึ่งอาจจะเป็นคำพูดที่ใหญ่โตพอสมควรท่านทั้งหลายอาจจะไม่สามารถจะรับได้ก็ได้บางคน อาจารย์มาอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้เรากําลังเรียนประวัติศาสตร์ตายประวัติศาสตร์ตายคือประวัติศาสตร์ที่เขียนมาให้เราอ่านแล้วก็เชื่อตามนั้นประวัติศาสตร์ประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นมาก็อาซุโคไัยอยุธยาขึ้นมาอรัตนโกศิลป์มีประวัติศาสตร์หน้าไหนที่เทิดทูนสองฝ่าฝั่งของโดยเฉพาะในแผ่นดินอีสานเนี่ยเรื่องาศาสนาก็ดีเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมก็ดีหรือบุคคลชาวอีสานก็ดี มีใครเขาเทิดทูนเขายกจ้องขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์พระธาตุพนมสร้างเมือ่อพศ8เขาเทิดทูนมันมอย่งสู้ พ, พระธาตุนครปฐมไม่ได้อาจามาอยากจะบอกให้ทราบวา่าพุทธศาสนาได้อย่างรากลงสู่สุวรรณภูมิคาบมหาสมุทรอินโดจีนเนี่ยตรงนี้ตรงแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเมืองสุวรรณครเนี่ยเมืองนครพนมเนี่ยพระธาตุทูเกฮกพระธาตุเชิงชุมพระธาตุพนมทั้งหมดนั้นเป็น สั ญ, ญลักษณ์ศักดิ์สิทบ่งบอกให้เราได้รู้ป่าดินแดนนี้ผู้สาวศาสนาเจริญรุ่งเรืองมามากการจารึกเรื่องราวพระธาตุพนมที่เขียนด้วยแผ่นทองคําที่เมืองร้อยเอ็ดจารึกเป็นอักษรธรรมมิงอักษรธรรมมิงนี่เก่าแกยิ่งกว่าอักษรบาลีการจารึกพระไตรปิฎกนั้นจารึกเมื่อสังคยาหนาครั้งที่ห้าเขียนตามหลังการจารึกเรื่องราวพระธาตุพนมซึ่งเขียนเมื่อพศหนึ่งร้อยที่เมืองสาเกตสิบเอ็ดประตูเมือง และนําไปที่อินเดียได้ได้กลับมาสมัยพุทธโคษาจารย์ที่อินทปัทนาครเมื่อก่อนจะออกพรรษาพระแขกจากประเทศอินเดียท่านวิมาลาเทระี่25พรรษาท่านจําพรรษาอยู่ที่วัดพุทธคยาที่พุทธเจ้าตัดสรุป ต, ต้นโพะนะั่นนหะท่านเฝ้าต้นโพภาษา บ, บาลีแบบโพธิลัคข์ท่านบอกว่าไอ้อมโพธิลัคข์บัตมักโพธิลัคสินแบงค์ขอกบอกคอยหนี้โพธิลักแทะแล้วว่าหักษ า, าต้นโพมาซอหปีเลวไปสัตย <laughs> มันเป็นโดตรลักอันกูเทพประชันท่านจําสตาหะมหาอัตมาที่วัดมหาอัตมาแล้วเป็นยังไงรู้ไหมโยอมอง์มีเก่งภาษาสิงห์หนเก่งภาษาบาลีเก่งภาษา ส, สันสกิตแล้วเก่งภาษาโบราณนคดีเก่งมากภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงท่านต้องเก่งแน่แน่ที่นีน่มหาอัตมาเช้ามาพาไปบินท่บาทฝนตกฝนตกลิน ตาเขาาชาวบ้านมาแข่งฝนใส่ใส่บาดยกข้าวใส่หัวข้าเหนียวก็ใส่บาดเด็กตัวเล็กมานั่งข้างๆแม่พนมมือแข่งฝนพระแขกเห็นร้องไห้น้ำตาไหลน้ำ ต, ตาไหลสะอื้นพอเดินออกมาเสิร์ฟขี้โมกตามหลังอาดามาความจริงท่านเดินก่อนอาดมาเพราะท่านบวชมาแล้วยี่สิบห้าพรรษาอาดามาเพิ่งยีห้าพรรษาที่นี่อาดมาก็ถามว่าวัชเพนบอกเกิดอะไรขึ้นท่านร้องไห้ทําไมก็ะทำ ท่านว่าท่านไม่ได้ร้องไห้ I'm not crying บอกฉันไม่ได้ร้องไห้ But s u m p in one my throat my feeling ท่านบอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้แต่มันเกิดก้อนตุกขอผมแน่นน้ำตามันไหลออกมาเพราะอะไรครับถามว่าเพราะอะไรผมอยู่อินเดียบวชมา25ปีภาพอย่างนี้ไม่เคยเห็นคนมาใส่บาตรแข่งฝนเด็กตัวน้นอยๆมานั่งพนมมืออยู่ข้างแม่ตากฝน ภาพอย่างนี้ในอินเดียไม่มี25ปีผมไม่เคยบินธบาตในอินเดียกินข้าวที่ไหนเพราะว่าสมาคมมหาโพมหาบริสุทธิ์ไซตีเป็นคนเลี้ยงท่านทํางานในสมาคมมหาโพแล้วก็เฝ้าต้นโพอยู่ตรงนั้นถ้าไม่เคยเห็นนี่คือความเสื่อมของประเทศอินเดียในทางพุศาสนาต่อมาอีกเช้ามาที่วัดเราเตือนกันตีสองครึ่งถราเนมานั่งสมาธิรวมกันในตีสองครึ่งไปจนถึงตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งสองชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์ เนรน้อยนั่งสวดมนต์มานั่งสมาธิกับพระพระแขกกราบกราบก่อนเลิกขึ้นกุฏิไปนั่งร้องไห้อยู่บนกุฏิอารากลับไปอ้าวร้องไห้ทาไมอีกเล่าวมองน้ําตาไหลอะครับไม่ได้ร้องไห้ดอกมันตุ้นน้าตาไหลเป็นก้อนลําอีวันไม้โกรเป็นก้อนจุกคอผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ในอินเดียพระเนนตื่นดึกลุกเช้านั่งสมาธิภาวนาทําวัดสวดมนต์วิเวกวังเวอย่างนี้ร้องไห้ แล้วอาดมาก็ถามเพราะท่านเก่งทางโบราณ น, นะะักดีก็ถามว่าท่านรู้จักอักษรพ ม, มินไหมท่านบอกว่ารู้อักษรพ ม, มินเก่าขนาดไหนท่านบอกว่า very very old and famous of India เป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของชาวอินเดียเสร็จแล้วอักษรพ ม, มินนี่มีฝังแถบบ้านนาถอนดอนนางหงท์ธาตุปนมเราเานี่ตามเลยเสมาเก่าๆนั้นมีอักษร น, นี่จาลึก